กรรมคตนาห้ารบเนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออาหาระสหาชาตะนิจยะกรร ม, มะอธิและอวิคตะมีเจ็ดวาระนอารามณปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระนอธิปฏิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนอนันตระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนสมนันตระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระ นอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระนอุปาณิชยปัจจัยกับมีเจดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับมีเจดวาระนอเสวณปัจจัยกับมีเจดวาระนวิปากะปัจจัยกับมีเจดวาระนอินทริยปัจจัยกับมีเจดวาระนาชานะปัจจัยกับมีเจดวาระ ณมคคะปัจจัยกับมีเจดวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโวินาทิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยากรรมะอัติและอวิคตะมีสามวาระ ณอรมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระณอนันตระปัจจัยกับมีสามวาระณสมณันตระปัจจัยกับมีสามวาระณอุปาณิยปัจจัยกับมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระณอาสวณปัจจัยกับมีสามวาระ นวิปากัปัจจัยกับมีสาวาระนอินทรียะปัจจัยกับมีสาวาระณาชานะปัจจัยกับมีสาวาระนมัคคาปัจจัยกับมีสาวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสาวาระโนนาธิปัจจัยกับมีสาวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีสาวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8 คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะกรร ม, มะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระณอรารมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระณนอนันตรปัจจัยกับมีสามวาระณสมนันตรปัจจัยกลับมีสามวาระณอุปนิสยาปัจจัยกับมีสามวาระ นาปุเรชาตปัจจัยกับมีสาวาระนปัชชาชาตะปัจจัยกับมีสามวาระณอเสวณปัจจัยกับมีสาวาระณวิปากปัจจัยกับมีสวาระณอินทรียปัจจัยกับมีสาวาระนาชานะปัจจัยกับมีสาวาระนมัคคปัจจัยกับมีสาวาระนวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีสามวาระ นวิคตะปัจจัยกับมีสาวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออาหาระสหชาตะนิสยากรรมะวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีสาวาระณอธิปติปัจจัยกับมีสาวาระณอนันตราปัจจัยกับมีสามวาระณสมนันตราปัจจัยกับมีสามวาระ นอัญญมัญญปัจจัยกับมีสวาระนอุปาณิสยปัจจัยกับมีสวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีสวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสวาระนอาศเวนปัจจัยกับมีสวาระนวิปากปัจจัยกับมีสวาระนอินทรียปัจจัยกลับมีสวาระนาชานะปัจจัยกับมีสวาระนมัคคปัจจัยกับมีสามวาระ นัสัมปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระอวิปากะสนัเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจคืออาหาระสหชาตะนิจยะกรรมะวิปากะอถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระนะัอารามณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ ณอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสมณันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอุปนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอเสวณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นชาณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตนนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนัตถิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปดคืออาหาระสหาชาตะอรญะมัญญ ะ, น, ะนิสยะกรร ม, มะวิปากะอัตถิ และอวิคตเมีหน an ึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอุปาเนจยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอเจวะณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ ณอินทรีย์ปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณจานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสำปรยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนาทิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิขตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิจยะ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 นาปัชชาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอเซวนาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอินทรียาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมค้าปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนตธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจใจแปด ออาหาระสหชาตานิสยะกรรมะวิปากะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหน uh, ึ่งวาระณะอรมณะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณะอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณะอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณะสมนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณะอุปาณิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณะปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาศวณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอินทรีย์ปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนาฏิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจใจเก้า คืออาหาระสหชาตะอัญญามัญญะนิสยากรรมะวิปากะวิปยุตตะอาติและอวิขตะมีหนึ่งวาระนาอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาสมะนันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอุปาณิสยาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นปุเรชาตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปัชชาชาตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอเสวนาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมข้าปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนาธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะห้า สอินตริยะขตนาห้าร้อเ้าสสองณเหตุปัจจัยกับปัจใจหกคืออาหาระสหชาตะนิสยาอินทริยะอัติและอวิคตะมีเจ็ดวาระณอรมณปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระณอธิปติปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณอนันตร์ปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณสมนันตร์ปัจจัยกับมีเจ็ดวาระ นอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระนอุปาณิสยปัจจัยกับมีเจดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับมีเจดวาระนอาศวนปัจจัยกับมีเจดวาระนกรรมปัจจัยกับมีเจดวาระนวิปากปัจจัยกับมีเจดวาระนาชานะปัจจัยกับมีเจดวาระนามขะปัจจัยกับมีเจดวาระ ณสัมยุญตปัจจัยกับมีสามวาระณวิปุญต์ปัจจัยกับมีสามวาระโนนัตถปัจจัยกับมีเจ็ดวาระโนวิคต์ปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทรียะอัติและอวิคตะมีสามวาระณอรมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระ อธิปติปัจจัยกับมีสามวาระณอนันตระปัจจัยกับมีสามวาระณสมนันตรปัจจัยกับมีสามวาระณอุปาณิสยปัจจัยกับมีสามวาระนปุเรชาตาปัจจัยกับมีสามวาระนปัจฉาชาตาปัจจัยกับมีสามวาระณอเสวณัปปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับมีสามวาระ นวิปากะปัจจัยกับมีสามวาระณัชานะปัจจัยกับมีสามวาระนมข้าปัจจัยกับมีสามวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนาธิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิขตะปัจจัยกับมีสามวาระนเหโตปัจจัยกับปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญะ นิสยะอินทรียะสำปรยุติอาทิและอวิคตะมีสามวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกลับมีสามวาระณสมนันตรปัจจัยกับมีสามวาระณอุปาณิสยปัจจัยกับมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกลับมีสามวาระ นภัชชาชาตปัจจัยกับมีสามวาระณอาเสวนาปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับมีสามวาระนชานะปัจจัยกับมีสามวาระนมข้าปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีสามวาระ น่เหตุปัจจัยกับปัจจัยเจคืออาหาระสหชาตะนิจยะอินทรียะวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีสามวาระนอะอรมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนะอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระนอะนันตระปัจจัยกับมีสามวาระนสมนันตระญญปัจจัยกับมีสามวาระนอัญญามัญญะปัจจัยกับมีสามวาระ นอุปาณิยปัจจัยกับมีสามวาระนาปุเรชาติปัจจัยกับมีสวาระนปัจฉาชาติปัจจัยกับมีสามวาระนอาศวนปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับมีสวาระนวิปากปัจจัยกับมีสวาระนาชาณปัจจัยกับมีสมวาระนมะขะปัจจัยกับมีสวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระ โนนัตถิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระอวิปากะสนเหตุปัจจัยกับปัจจัย7จคืออาหาระสหาชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะอัตถิและอวิคตตะมีหนึ่งวาระนอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนัอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นอนันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสมมันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญามัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอุปาณิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณาปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปัชชาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาศวะณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นัมข้าปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัสสัม ป, ย, aj aj มปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนาติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัเฮโตปัจจัยกับปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ นาอารมณปัจจ oh oh, ัยกับละถึงมีหน <ium> Fo ึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาสมมันตระปัจจัยกลับมีหนึ่งวาระนาอุปาณิสยปัจจัยกลับมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปัชชาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอเสวณปัจจัยกลับมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ ณชาณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกลับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณนัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออาหาระสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัติ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 นกรร ม, มปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณนะชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนะมคัคคะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณนะวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนะวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะวิปยุตตะอธิ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 นาอาศวณปัจจ <functional> ัยกับมีหนึ่งวาระนากรรมะปัจจ <confused> ัยกับ <Sometimes> ม <wheelchair> ีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาสัมบยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนาทิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิจยะ วิปากะอินทริยะวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระนอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนสมนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอุปาณิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นปัชชาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาเสวนาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนชานะปฏใจกลับมีหนึ่งวาระนมะขาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนสัมปยุทธะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนาธิปฏใจกลับมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวปากะห้า อธิปติอินทรียาคตะนาห้ารเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออาหาระอธิปติสหาชาตะนิสยาอินทรียอาอถิและอวิคตะมีเจดวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีเจดวาระณอนันตระปัจจัยกับมีเจดวาระณสมณันตระปัจจัยกับมีเจดวาระ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 ณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนาทิปัจจัยกับมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออาหาระอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยาอินทริยะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระ นาอารมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนาอนันตรปัจจัยกับมีสามวาระนาสมนันตระปัจจัยกับมีสามวาระนาอุปนิชยปัจจัยกับมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระนาปัจฉาชาต์ปัจจัยกับมีสามวาระนาอเสวณปัจจัยกับมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับมีสามวาระ นวิปากัปัจจัยกับมีสามวาระณัชานปัจจัยกับมีสามวาระนมข้าปัจจัยกับมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนัธิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิขตะปัจจัยกับมีสามวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออาหาระอธิปติสหชาตะนิจยะอินทรยะวิปยุตตะอัธิ และอวิคตะมีสามวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับมีสามวาระณสมนันตรปัจจัยกับมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระณอุปนิสยปัจจัยกับมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระ นอาศวนปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับมีสามวาระนัชานะปัจจัยกับมีสามวาระนมกมขปัจจัยกับมีสามวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีสามวาระอวิปากะสาม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 นาปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณาอาศวณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณาชาณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ โนวิคตะาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระน่ะเหตุปัจจัยกับปัจจัยสิทธิ์คืออาหาระอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัติและอวิคตามีหนึ่งวาระน่ะอรมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระน่ะอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระน่ะสมนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นาอุปนิสยาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาุเรชาตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปชัชชาตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาศัยวนาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออาหาระอธิปติสหชาตะนิจยะวิปากะอินทริยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นอัญญมัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอุปนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปัชชาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาศวนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมะขะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนสัมบยุตตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ โนนัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะสามอาหารมูลกะในจบอินทรียะทุกกะใน594ย นะเหตุปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมีเจ็ดวาระนะอารมณปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระนะอธิปติปัจจัยมีเจดวาระนะอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนะสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระนะสหชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระน่ะัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนะนิสยาปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอุปนิสยาปัจจัยมีเจดวาระ นาปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนปัจชาชาตปัจจัยมีเจดวาระนอาศวณัปัจจัยมีเจดวาระนกรรมปัจจัยมีเจดวาระนวิปากะปัจจัยมีเจดวาระนอาหารปัจจัยมีเจดวาระนาชานะปัจจัยมีเจดวาระนมัคคปัจจัยมีเจดวาระนสัมปยุตตาปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระ โนนัตถิปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอินทรียมีสกะคตนา595หนเหตุปัจจัยกับปัจจัยสมคืออินทรียะนัตถิและอวิคตะมีเจดวาระนาอารรมณปัจจัยกับละถึงมีเจดวาระนอธิปติปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนอนันตระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระ ณสมณันตรปัจจัยกับมีเจดวาระณสหชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญมัญยปัจจัยกับมีสามวาระณนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอุปานิสยปัจจัยกับมีเจดวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีเจดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีเจดวาระณอาศวะณปัจจัยกับมีเจดวาระ นกรรมปัจจัยกับมีเจดวาระนวิปากปัจจัยกับมีเจดวาระณอาหารปัจจัยกับมีเจดวาระนัชานะปัจจัยกับมีเจดวาระนมัคคปัจจัยกับมีเจดวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนาธิปัจจัยกับมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระ นเหตุปัจจัยกับปัจจัยสี่คืออินทรียะนิสยานิสิและอวิคตะมีเจ็ดวาระนอารมณะปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระนัอธิปติปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนอนันตระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนสมนันตระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนสหชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระ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 ณสัมปยุตตปัจจัยกับมีสวาระณวิปยุตตาปัจจัยกับมีสาวาระณอณฐิปัจจัยกับมีเจวาระโนวิคตาปัจจัยกับมี7วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออินทรียะนิสยาวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีสวาระ ณอนันตรปัจจัยกับมีสวาระณสมณันตระปัจจัยกับมีสามวาระณสหชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระณอุปาณิสยปัจจัยกับมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสาวาระณอาศวณปัจจัยกับมีสามวาระ นกรรมปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับมีสามวาระณอาหารปัจจัยกับมีสามวาระณัชานะปัจจัยกับมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับมีสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนาธิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระปคินนกกฆตนา596 นเหตุปัจจัยกับปัจจัยหกคืออินทริยะนิสยาบุเรชาตะวิปยุตตะอาติ i, และอวิคตะมีหนึ่งวาระณอารารมณะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสหชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นอัญญมัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอุปาณิยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปัชฌาชาติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาศัวะณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปากะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมะขะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ ณสัมปยุตตะปั จ, จัยกับมีหนึ่งวาระโนนาติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสหาชาตะสามัญญาคตานาห้าร้อยเก้าสเจ็ดณเหตุปัจจัยกับปัจใจห้าเกออินทรียะสหาชาตะนิสยะอถิและอวิคตะมีเจ็ดวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระ ณอธิปติป e like ัจจัยกับมีเจดวาระณอนันตระปัจจัยกับมีเจดวาระณสมานันตระปัจจัยกับมีเจดวาระณอัญญามัญญปัจจัยกับมีสวาระณอุปนิสยปัจจัยกับมีเจดวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีเจดวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยกับมีเจดวาระณอาจเวชนปัจจัยกับมีเจดวาระ นกกรรมปัจจัยกับมีเจดวาระนวิปากัปัจจัยกับมีเจดวาระณอาหารรปัจจัยกับมีเจดวาระณัานะปัจจัยกับมีเจดวาระนมรรคปัจจัยกับมีเจดวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีสมวาระณวิปยุตตาปัจจัยกับมีสมวาระโนนัติปัจจัยกับมีเจดวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีเจวาระ นเหตุปัจจัยกับปัจจัย6กคืออินทรียะสหาชาติปัญญมัญญานิสยอาติและอวิคตะมีสามวาระนอารรมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระนอนันตรปัจจัยกับมีสามวาระนสมนันต ร, ประปัจจัยกับมีสามวาระนะอุปนิสยาปัจจัยกับมีสามวาระ นภเรชาตปัจจัยกับมีสวาระนปชาชาตปัจจัยกับมีสวาระณอาศวณัปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับมีสาวาระณวิปากปัจจัยกับมีสวาระณอาหารปัจจัยกับมีสามวาระณชานะปัจจัยกับมีสาวาระนมข้าปัจจัยกับมีสวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระโนนธิปัจจัยกับมีสามวาระโนโวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็คืออินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยาสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระนะอารมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนะอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระ ณอนันตรปัจจัยกับมีสามวาระณสมมันตระปัจจัยกับมีสามวาระณอุปาณิสยปัจจัยกับมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระณอเสวณปัจจัยกับมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับมีสามวาระณอาหารปัจจัยกลับมีสามวาระ นาชานะปัจจัยกับมีสามวาระนามัคคะปัจจัยกับมีสามวาระนาวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนาธิปัจจัยกลับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจใจหกเคยอินทริยะสหชาตะนิสยะวิปยุตตะอัถิและอวิคตะมีสามวาระนาอารมณะปัจจัยกับละถึงมีสามวาระ ณอธิปต mmm e ิปัจจัยกับมีสามวาระณอนันตระปัจจัยกับมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีสามวาระณอัญญามัญญปัจจัยกับมีสามวาระณอุปาณิยยปัจจัยกับมีสามวาระณปุเรชาติปัจจัยกับมีสามวาระณปัจฉาชาติปัจจัยกับมีสามวาระณอเสวณปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมปัจจัยกลับมีสามวาระ นวิปากปัจจัยกับมีสามวาระณอาหารปัจจัยกลับมีสมวาระณชานะปัจจัยกับมีสามวาระนมะข้าปัจจัยกลับมีสาวาระณสัมบยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกลับมีสาวาระโนวิคตาปัจจัยกลับมีสามวาระอวิปากะสีนเหตุปัจจัยกับปัจใจหกเคออินทรียะสหชาตะ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 นปัจฉาชาติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอเสวณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมยุติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนาธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นะเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคืออินทริยะสหชาตะอัญญะมัญญะนิสยะวิปากะอัติและอวิคตามีหนึ่งวาระนะอรามณะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนะอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนะอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนะสมนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอุปณิยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 นอุปาณิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาสวนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ โนนาติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจเจ7เคยอินทริยะสหชาตะนิจยะวิปากะวิปยุตตาอัติและอวิคตะามีหนึ่งวาระณอารมณะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอนนตระปัจัยกับมีหนึ่งวาระ ณสมนันตระปัจจัยกับมีหน <satisfy> ึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอุปนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอเสวนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยกลับมีหนึ่งวาระ นามคคะปัจจ ah ah ัยก ah ah ับม uh ah ีหนึ่งวาระนสัมบยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนาธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัย8เคยอินทรียะสหชาตะอัญญามัญญาเนสยะวิปากะวิปยุตตะอถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระนัอารมณะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ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 ณชาณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมะคัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมยุญตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนาฏิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะหสมัคคะฆตะนาห้าร้อยเกเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออินทริยะสหาชาตานิจยะมัคคะอธิ และอวิคตะมีเจดวาระณอารมณปัจจัยกับและถึงมีเจดวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีสาวาระณอุปาณิสยปัจจัยกับมีเจดวาระณสัมำยุตตปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสาวาระโนนัติปัจจัยกับมีเจวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระ นัเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจคืออินทริยะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยามคะอัติและอวิคตะมีสามวาระนัสัมบยุตตปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระโนนาทิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตตปัจจัยกับมีสามวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัย8ดคืออินทริยะ สหชาตะอัญญามัญญะนิจยะมัคคะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดเพออินทรียสหชาตะนิจยะมัคคะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับละถึงมีสามวาระอวิปากะสี่ นเหตุปัจจ like ah, no. ัยกับปัจจัยเจ็ดคืออินทริยะสหชาตะนิสยาวิปากะมัคคะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับและถึงมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปดคืออินทริยะสหชาตะอัญญมัญะนิสยาวิปากะมัคคะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับ ละถึงมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยเกเคยอินทริยะสหชาตะอัญญมัญญานิสยะวิปากะมรคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโดยวิคตะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปคืออินทริยะสหชาตะนิสยะวิปากะมรคะวิปยุตตะอัตถิ และอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระและเหตุโปัจใจกับปัจจัย9าเคออินทริยะสหชาตะอะัญญมัญญะนิสยะวิปากะมัคคะวิปยุตตะอาติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระชวิปากะห้า